ในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตรัสรู้พระอริยสัจสี่ไม่มีพระธรรมคำสอนสมัยนั้นมนุษย์จะหาวิธีการดับทุกข์อยู่สองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือดับความทุกข์ด้วยการ หาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญเพราะเวลาที่ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิ ภ, ภัณพะที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่า เป็นความสุขชั่วคราวเพราะหลังจากนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายใหม่หามาได้มากได้น้อยความทุกข์ใจก็ยังไม่หายไปอีกพวกหนึ่ง ก็หาวิธีการดับทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นไม่อาบน้ำไม่ตัดผมไม่ห่มเสื้อผ้าทรมานร่างกายให้ยืนอยู่ในทา่าต่างๆหรือให้นั่งบน ที่นั่งที่มีของแหลมคมที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ร่างกายเพราะคิดว่าจะทำให้ความทุกข์ใจหายไปแต่ความทุกข์ใจก็ไม่หายเช่นเดียวกันจนมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุ พระอริยศัจ ส, สี่จึงทรงเห็นทางสายกลางทางที่ไม่ใช่ทางทั้งสองสองทางนี้คือจะไม่ดับความทุกข์ใจด้วยการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงเคยกระทำอย่างนี้มา ตอนก่อนที่จะออกบวช<ม>ก็ทรงดับความทุกข์ใจด้วยการเสบรูปเสียงกลิ่นลดพวดตภะทรงมีประสาทสามฤดูมีนางสนมมีบวยศาสตร์บริวารมีรูปเสียงกลิ่นลดพวดตภัชพระชนิดต่างๆไว้คอยบำรุงบำเรอ แต่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจไปได้และหลังจากที่ทรงออกปฏิบัติออกบวชปฏิบัติจนได้ถึงขั้นสมาธิขั้นรูปอรูปฌานก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้อย่างท้าวอนดับได้ชั่วคราวในขณะที่ใจเข้าไป อยู่ในสมาธิอยู่ในรูปฌปานอยู่ในอรูปฌานแต่พอออกมาจากสมาธิความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ทรงทดลองทรมานร่างกายด้วยการอดปกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันจนรู้แล้วว่าถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายอย่างแน่นอน และความทุกข์ใจก็ยังไม่หมดไปอยู่ดีมีเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยลงไปตามการทรมานร่างกายเลยพระพุตเจ้าจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์จนในที่สุดก็ทรงเห็นว่าความทุกข์ใจนี้มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเหมือน เวลาไฟไหม้บ้านเราเราไปดับบ้านของเพื่อนบ้านอย่างนี้ไฟมันบ้านเราไฟที่ไหม้บ้านเรามันก็ไม่มีวันดับเวลาไฟไหม้บ้านเราเราก็ไปดับที่บ้านเพื่อนเราที่ไม่ได้มีไฟไม่ได้เกิดไฟเป็นวิธีดับไฟไม่ถูกจุด ความทุกข์ใจนี่อยู่ในใจและมีเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหลังจาก ท, ที่ทรงพิจารณาเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ออกจากสมถะภาวนาคือเบื้องต้นทรงท ร, รพระไท่ให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ทรงเจริญปัญญาพิจารณา หาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจตอนใ น, นที่สุดก็สงคนพบว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัณพะเรียกว่าการมตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวย อยากให้คนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่จนอยากไม่ให้ใครเขาตาหนิตีเตียนก่อละหานมทาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพลาดจาก สิ่งที่ตนรักอยากไม่พบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่รักความอยากต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใหญ่แล้วก็เป็นต้นเหตุที่พาให้ใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมา ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายใหม่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบในขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้ต้นโพในเกินวันเพ็ญเดือนหกแล้วทรงพิจารณาหาวิธีดับความทุกข์หาวิธีหยุดตันหาความอยาก ก็ทรงเห็นว่าต้องเห็นไตรลักต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ตลอดดับได้ชั่วคราวแล้วก็ไม่นานความทุกข์ก็จะโผล่กลับคืนมาใหม่เพราะความทุกข์เกิดจากความอยากถ้า อยากจะดับความทุกข์อย่างท้าวลก็ต้องไม่ไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆหยุดความอยากอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะก็ต้องไม่เสบอยากเป็นใหญ่อยากเป็นตัวก็ต้องไม่อยากอยากร่ำอยากรวยก็ต้องไม่อยากอยากให้มีคนนับหน้าถือตาเคารพนับถือ ก็ต้องไม่อยากเท่าเดียวกับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องอยากไม่จนจนก็จนต่ําต้อยก็ยอมต่ําต้อยแก่ก็ต้องยอมแก่เจ็บก็ต้องเยี่ยมยอมเติดตายก็ต้องยอมตายต้องพัดพากจากของที่รักของที่ชอบบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบ ก็ต้องยอมต้องพบกับสิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องยอมเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปขับไล่สายส่งเขาไม่ได้เวลาเขาจะเกิดจะให้เขาดับก็ไม่ได้เวลาเขาดับจะให้เขาเกิดก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ภายใต้ อำนาจของเรา่านทรงเรียกคำนี้ว่าอนัตตาไม่ได้เป็นของเราเป็นตัวเราเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นได้บ้างบางครั้งบางเวลาแต่ในที่สุดก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา เช่นร่างกายเราก็กำหนดให้มันอยู่ไปได้ในแต่ละวันเราก็พอกำหนดได้เวลาหิวข้าวเราก็กินข้าวหิวน้ำเราก็ดื่มน้ำมันก็หายได้แต่บางเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราสั่งให้มันหายก็หายไม่ได้ถ้ามียากินบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้ เพราะมนเป็นอนัตตาเนี่ยคือผู้ที่จะละตัณหาความอยากต้องเห็นอนัตตาต้องเห็นอนิจจาอนิจจาก็คือไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้ขึ้นขึ้นลงลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจะให้ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้จะให้รวยอย่างเดียวไม่ได้จะให้ได้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีได้บ้างต้องมีเสียบ้างต้องมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีเกิดบ้างมีตายบ้างเป็นอย่างนี้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ต้องยอมอย่างเดียวยอมรับความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วใจจะไม่ต่อต้านใจจะหยุดหยุดความอยากได้ พอยอมกับความจริงแล้วก็จะหยุดความอยากพอหยุดความอยากใจก็เย็นขึ้นมาเย็นก็นิโรดนี่เองนิโรดก็คือความดับทุกข์ความดับของความทุกข์ดับด้วยปัญญาคือมรรคคือเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น วัตถุเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆหรือบุคคลต่างๆสัตว์ต่างๆเป็นเหมือนกันหมดเป็นตายักเหมือนกันหมดไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดถ้าไม่ยอมรับความจริงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะจะเกิดความอยากให้เป็นตามใจแต่มันเป็นไปไม่ได้ ใกล้ก็จะต้องทุกข์ถ้าหลงถ้าไม่เห็นอ น, นิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เห็นการเกิดการดับของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรามีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นมีความรักความชอบความหวงของที่เราไม่รักไม่ชอบไม่เป็นปัญหาอะไรคนอื่นตายเราไม่เดือดร้อนแต่ร่างกายเราตายนี้เราเดือดร้อน เพราะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราของเราส่วนร่างกายของคนอื่นเราไม่ยึดไม่ติดเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนดังนั้นเวลาพิจารณาอนิจจ์อนัตตาเราต้องพิจารณาสิ่งที่เรามีอุปทานมีความผูกพันเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่เราไม่มีอุปทานไม่มีความเกี่ยวข้องด้วย พิจารณาไปก็ไม่เป็นประโยชน์อย่างไรเพราะเราไม่ได้ไปอยากกับเขาอยู่แล้วเราไม่ได้อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่แล้วเราต้องพิจารณาสิ่งที่เรามีความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พิจารณาเพื่อเราจะได้หยุดความอยากพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงของเขาเพื่อเราจะได้ยอมรับความจริงของเขาว่า เขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอย่างนี้เราจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดตัณหาขึ้นมาความอยากพอเกิดตัณหาก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ตามใจอยากก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาเป็นความทุกข์ทั้งสองส่วนทุกตั้งแต่เริ่มแรกพออยากก็ทุกข์แล้วพอไม่ได้ดังใจอยาก กทุกอีกนี่แหละคือวิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้องเพราะดับที่เหตุดับที่สถานที่ที่เป็นปัญหาการไปดับความทุกข์ทางร่างกายไม่ใช่เป็นการดับที่ถูกสถานที่และเหตุข้อความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เพียงแต่ว่าใจไปหลงไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราจึงเกิดความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายแต่มองไม่เห็นอนัตตาว่าเป็นไปไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาตายไม่ได้ พอยอมรับความจริงอันนี้ใจก็หยุดต่อต้านหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปใจที่ร้อนก็กลับมาเย็นยอมหยุดแล้วก็เย็นถ้าไม่ยอมไม่หยุดก็ร้อนทุกข์ทรมาน จนบางทีถึงกับทนไม่ได้ก็ไปแก้ด้วยวิธีผิดไปฆ่าร่างกายไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ยังไม่ได้ดับความทุกข์ที่มอีอยู่ในใจนี้อีกพอกลับมาเกิดใหม่ใจก็ทุกข์ใหม่อีกนี่แหละคือวิธีการดับความทุกข์ของมนุษย์ ในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสและมาประกาศพระธรรมคาสอนวิธีดับความทุกข์ด้วยการเจริญมรรคด้วยการเจริญทานศีลภาวนาผู้ใดสามารถที่จะบาเพ็ญปฏิบัติได้ผู้นั้นก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ ในเรื้องต้นทรงไปโปรดผู้ที่ได้บำเพ็ญทานได้บำเพญ็ญศีลได้บำเพญ็ญสมถภาวนามาแล้วคือทานก็ได้สละไปหมดแล้วไม่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองศีลก็รักษาได้อย่างบริสุทธิ์จิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นอุเบกขาแต่ขาดปัญญา ขาดความรู้ที่จะมาสอนใจไม่ให้ปรากความอยากไม่ให้ดับความทุกข์ด้วยการสร้างความอยากขึ้นมาเช่นเวลาร่างกายแก่ก็อย่าไปดับความทุกข์ด้วยการอยากไม่แก่เวลาเจ็บก็อย่าไปดับความทุกข์ด้วยการสร้างความอยากไม่เจ็บ อ, อ, อยากให้หายอยากให้ความเจ็บหาย พอเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องพิจารณาดูว่าห้ามความแก่ได้หรือเปล่าห้ามความเจ็บไข้ได้หรือเปล่าห้ามความตายได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปห้ามดีกว่าอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่าเพราะยังไงยังไงเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีถ้าเราอยาก เราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อผู้ที่เป็นบัวระดับเหนือน้ำบัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงแต่รอแสงสว่างแข็งของดวงอาทิตย์ก็จะบานออกมานี่ก็คือนักบวช ทั้งหลายที่มีฌานมีศีลมีฐานพอทรงสแสดงอริยสัจสี่ทรงสแสดงมรรคแปดให้แก่ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้ก็สามารถละความอยากได้ดับความทุกข์ได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นพระอนญาณโกนฐญนะเป็นบุคคลแรกที่ เข้าถึงพระ อ, อริยสัจสี่เข้าใจกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระสงฆ์องค์แรกพระสงฆ์สาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าทำให้วันนั้นเป็นวันที่พระรันาตนตรัยมีครบองค์สาม คือมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงพระธรรมคำสอนแล้วก็มีพระปัญจวัคคีที่ฟังธรรมอยู่แล้วก็มีพระัญญาโกรณัญญาหนึ่งในพระปัญจวัคคีมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยสงสารกขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันอันนั้นเป็นวันที่พระรันาตนใยมีครบองค์ นี่คือหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สามารถที่จะทำหน้าที่แทนกันได้ไม่มีพระพุทธเจ้าถ้ามีพระธรรมคำสอนก็ยังสามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระอรหันตสาวก ก็ยังสามารถนำเอาพระธรรมคำสอนออกมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกได้ถ้าไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมและไม่มีพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็ถือว่าบทสภาพไปถึงแม้ยังจะมีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวรวัตถุต่างๆอยู่มีนักบวชห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ตาม แต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึง่งอยู่ในใจของนักบวชเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะยังพระพุทธศาสนาให้เหมือนกับสมัยที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เป็น ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องของการดับความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏจะไม่มีใครในโลกนี้สามารถดับความทุกข์ของใจของตนได้เลยจะต้องทุกข์ไปกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งสามนี้ไปอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าเองหรือได้พบกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าถึงจะได้มีโอกาสที่จะดับความทุกข์ได้เพราะจะมีผู้บอกทางบอกวิธี วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและยังมีการสั่งสอนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือมรคนี้เองมร์สำหรับคารวะก็คือทานศีลภาวนาถ้ามรของนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญาต่างกันไหมก็ต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทานสำหรับนักบวชนี้ไม่มีทานต้องทำ พ็ได้ทำสำเร็จรู่ร่วงไปแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ได้บริจาคไปหมดแล้วจึงเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาก็คือภาวนานี้เองสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญา เวลาที่สงสอนผู้ที่ยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอย่างคารวะญาติอยู่นี้จึงต้องสอนเรื่องทานก่อนให้ละเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก่อนเพราะเป็นเหมือนสมอเรือเวลาเรือจะออกเดินทางได้เรือต้องถอนสมอก่อนถ้าไม่ถอนสมอเรือก็จะวิ่งไปไม่ได้เพราะจะถูกสมอ ยึดเอาไว้ดึงเอาไว้ส่วนนักบวชนี้เหมือนกับเรือที่ได้ถอนสมอแล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะได้บ่อยจากได้สละไปหมดแล้วจึงไม่ต้องสอนเรื่องทางต่อ น, นักบวชสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิและปัญญา ในยุคแรกๆเรื่องศีลก็ไม่ต้องสอนเพราะนักบวชเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เรื่องสมาธิก็ไม่ต้องสอนเพราะมีสมาธิอยู่แล้วจึงสอนแต่เรื่องปัญญาสอนเรื่องกานดิจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องอริยสัจสี่แต่ต่อมาหลังจากที่ได้ทรงสอน กลุ่มบัวเหล่าที่หนึ่งไปหมดแล้วบรรดานักบวชทั้งหลายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจนํานวนมากแล้วต่อมาก็ต้องมาสอนพวกบัว ก, กลุ่มที่สองพวกบัวกลุ่มที่สองก็คือพวกที่เป็นนักบวชนักษาศีลอยู่บ่อยสุดอยู่แต่ยังไม่สามารถได้สมาธิได้ฌานก็ต้องมาสอนให้เขา จเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบส่งสอนในสติปัฏฐานสี่สอนให้จเจริญสติเพื่อที่จะได้มาควบคุมบังคับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งเพื่อที่ใจจะได้รวมเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ฌานเข้าสู่สมาธิแล้วจึงค่อยสอนให้จเจริญปัญญาตามลําดับต่อไป ได้ฌานแล้วก็ทรงสอนให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นอนัตตาทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเช่นผมขนเลฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสอนเรื่องของความไม่สวยงามของร่างกายว่าร่างกายนี้ สวยงามเพลงบางส่วนบางเวลาเวลาตายนี่ไม่น่าดูเลยแล้วส่วนที่ไม่สวยขณะที่เป็นก็อยู่ภายใต้ผิวหนังต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนังมองอสุภะก็จะสามารถที่จะทําลายปัญหาความอยากในร่างกายได้หมดไม่ว่าความอยาก ให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากที่จะมีความสุขร่วมหลับนอนกับร่างกายของผู้อื่นก็จะถูกทำลายไปหมดในปัญญาขั้นต้นของผู้ที่ยังไม่ยังมีความยึดติดอยู่กับร่างกายก็มีความยึดติดกับเวทนาความรู้สึกสุข ความรู้สึกสุขทุกไม่สุขไม่ทุก ข, ขเวลาสุขก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆเวลาทุกข์ก็อยากจะให้หายไปเร็วๆเวลาไม่สุขไม่ทุกก็อยากจะให้มันสุขพอเกิดความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าต้องสอนให้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาไปสั่งเขาไม่ได้อยากให้เขาสุขอย่างเดียวไม่ได้ อยากให้ความทุกข์หายไปเลยไม่ได้เวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาจะสั่งให้มันหายไปมันไม่หายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปสั่งอย่าไปอยากให้มันหายหัดทำใจเฉยๆเป็นอุเบกขาอยู่กับมันไปเหมือนคำที่เขาพูดว่าใจดีสู้เสือ เมื่อทําอะไรไม่ได้ก็ทําใจดีๆว่าสู้เสือไปมันจะกัดก็ปล่อยให้มันกัดไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าปล่อยให้มันกัดนี้ใจจะไม่ทุกข์จะทุกข์แต่ที่ร่างกายจะเจ็บที่ร่างกายเดี๋ยวเดียวแต่ความทุกข์ใจนี้จะหายไปหมดความทุกข์ใจเกี่ยวกับความกลัวตายนี้จะหายไปต่อไปจะไม่กลัวตาย ถ้ายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วิตกไม่กังวลกับความเจ็บกับความตายของร่างกายพอส่งสอนเรื่องร่างกายจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความอยากต่างๆเกี่ยวกับร่างกายได้ก็ทรงสอนเรื่องจิตต่อไปเรื่องธรรมารมณ์ที่มีอยู่ในจิตธรรมารม์ ก็เป in ็นอารมณ์ที่ผ่านมาที่มีอยู่ภายในจิตที่เกิดจากการสังสังความคิดปรุงแต่งสัญญาความจำได้หมายรู้คิดไปปรุงไปก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดสุขบ้างไม่สุขบ้างเกิดทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเพื่ต้องพิจารณาเหมือนกับเวทนาทางร่างกาย ว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเหมือนกันบางวันอารมณ์ดีบางวันอารมณ์ไม่ดีเวลาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะมันจะทำให้ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่เจออารมณ์ไม่ดีแล้วยังไม่พอยังไปอยากให้มันหายอีกมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าเจออารมณ์ไม่ดีก็ทำใจสู้เสือไว้ทำใจดีสู้เสือไปสู้กับอารมณ์ไม่ดี ให้สักแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดีเราไปทําอะไรเขาไม่ได้นอกจากเรารู้จักวิธีวิธีก็คือเราเอาเข้าไปในสมาธิแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วข่าวเช่นกําหนดจิตให้เข้าสู่ความสงบก็ไปติดอยู่ในสมาธิไม่ใช่เป็นวิธีแก้ธรรมอารมณ์อย่างถา้าวร วิธีแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ที่ความอยากอยากไปอยากให้ทรรอารมณ์เป็นไปตามความปรารถนาของเราจิตจะผ่องใสจิตจะเศร้าหมองก็รู้ไปตามความจริงอยากไปอยากให้มันผ่องใสไปตลอดอย่าไปอยากให้ไม่ให้มันเศร้าหมองให้รู้ทันว่ามันเป็นอนิจจ์จิตในระดับนี้ขั้นนี้ยังมี กิเตัณหาที่ละเอียดที่เรียกว่าอาวิชาโมหะซ่อนอยู่ในจิตที่จะคอยหลอกให้จิตหลงยึดติดกับธรมรมอารมณ์ต่างๆต้องใช้ปัญญาเช่นเดียวกับที่ใช้กับร่างกายใช้กับเวทนาใช้ใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตก็จะปล่อยวางเพราะปล่อยวางจิตไม่มี ตัณหากับธรรมอารมณ์ต่างๆจิตก็ไม่มีความทุกข์กับธรรมอารมณ์ต่อไปเหมือนกับไม่มีความทุกข์กับร่างกายพอละตัณหาความอยากแล้วก็ไม่มีความทุกข์ที่หลงเหลืออยู่ภายในใจทุกข์กับลาบยศสารเสริญก็ละได้แล้วไม่มีความอยากกับลาบยศสารเสริญทุกข์กับ รูปเวทนาสัญญาสังขารก็ละได้แล้วทุกข์กับจิตธรรมารมณ์ในจิตก็ละได้แล้วเมื่อละได้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลื อ, อไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในจิตจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตก็ไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่คือวิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครทรงสั่งสอนพระองค์ได้เพราะไม่มีใครมีปัญญาความรู้ความสามารถความฉลาดที่จะสามารถมองเข้าไปเห็นปัญหาของความทุกข์ได้ว่าเกิดจากอะไรมีแต่วิธีแก้ด้วยวิธีผิดผิดสองวิธีด้วยการทรมานร่างกายด้วยการหาความสุขทางร่างกายหรือถ้าหาด้วยสมาธิ ดับด้วยสมาธิก็ดับได้เพียงชั่วคราวดับด้วยทานดับด้วยศีลดับด้วยสมาธิก็ดับได้เพียงชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความอยากก็ยังมีอยู่เพราะยังไม่เห็นไตรลักษณ์ยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่เห็นอนัตตาในสิ่งที่อยากได้ไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะละตัณหาดับความทุกข์ต้องมองให้เห็นและต้องให้ทันกับเหตุการณ์แต่ในเบื้องต้นนี้ก็จะต้องตามเหตุการณ์ไปต้องตามความทุกข์ไปต้องตามไปแก้ความทุกข์กันเพราะกิเลสตัณหานี่เขาไวกว่าสติปัญญาแต่ถ้ามีสติปัญญาคอยเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดเวลาเวลา จิตเก่อความทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาตามไปแก้ได้เลยจิตวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พิจารณาเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ไปว่าเป็นตายรักพอปล่อยตายรักพอปล่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบหยุดความทุกข์หยุดตัณหาความอยากได้อันนี้แหละเป็นวิธีที่ดับทุกข์ที่ถูกต้องที่ถาวร ผู้ที่ได้ดับความทุกข์เหล่านี้ไปแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์อีกแล้วไม่มีงานที่จะต้องทำอีกแล้วเพราะตัวที่เป็นปัญหาแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือความทุกข์ใจนี้เท่านั้นถ้าไม่มีความทุกข์ใจแล้วก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรต่อไปเหมือนกับคนที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บหายแล้วก็ไม่รู้จะไปรักษาอะไร เป็นไข้หวัดเป็นอะไรพอกินยายาหายแล้วก็หยุดกินยาไม่ต้องกินยาไปตลอดการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนยาที่จะมาดับความทุกข์ใจนี้เองพอไม่มีความทุกข์ใจแล้วการปฏิบัติทานศีลภาวนาการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็ ยุติลงไปแต่จะว่าไม่ทําทานก็ไม่เชิงแต่ว่าไม่รักษาศีลก็ไม่เชิงแต่เป็นการเป็นเรื่องปกติของใจไปใจที่ได้ฝึกฝนอบรมมาให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลให้ตั้งอยู่ในความสงบก็จะตั้งอยู่ในในอยู่ในลักษณะอย่างนั้นมีโอกาสทําทานได้ก็จะทําทาน ศีนก็รักษาไม่ละเมิดถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหากับใจแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเวลาทำบุญเพราะว่าบุญก็ไม่สามารถที่จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ได้เพราะใจมีบุญมีความสุขอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วทำบุญไปก็ไม่ได้ทำเพื่อเติมความสุขให้กับใจแต่ทำไปเพราะความเมตตาสงสาร ถ้ายังมีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขให้เขาดับความทุกข์ได้ก็ยินดีที่จะทำแต่ไม่ได้ทำด้วยเพื่อตัวเองเพราะพพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ได้บรรลุธรรมแล้วได้เป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงปฏิบัติภารกิจสงเคราะห์สัตว์โลกต่อไป พระพุทธจ้าก็ส่งมีพุทธกิจห้ากิจใหญ่ๆทั้งสี่ข้อสี่ข้อก็อยู่ที่การอบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่บุคคลต่างๆเช่นในยามบ่ายก็อบรมสั่งสอนคาลวาดยาิโยมในยามในยามค่ำก็อบรมสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรในยามดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาและในวัน ตอนเช้าก่อนที่จะส่งออกบินทบาตก็ส่งเรงยงยานดูว่าจะไปสงพระบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษบุคคลที่พร้อมที่จะรับเรือมีความมีเรื่องของกรรมที่อาจจะต้องทำให้เสียชีวิตไปในในเวลาอันใกล้ก็ส่งไปโปรดบุคคลเหล่านั้นก่อนแล้วก็ส่งบินธบาต มินตบบาทก็ส่งโปรดร่างกายดูแลรักษาร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ต่อไปเพื่อที่จะได้สงเคราะห์โลกต่อไปเท่านั้นแต่ไม่ได้ทําเพื่อพระองค์เลยไม่ได้ทําเพื่อพระทัยของพระองค์เลยเพราะพระทัยของพระองค์นี้ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีความทุกข์แล้วความสุขก็มีเต็มเปี่ยมแล้วจะทําหรือไม่ทําความสุขนี้ก็เท่าเดิม เหมือนกับเราเขาให้เงินเดือนเราใช้ทุกเดือนจะไปทํางานหรือไม่ทํางานเขาก็ให้เงินเราเงินเดือนเราเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ยังไงยังไงก็ได้เงินเดือนอยู่ดีไปก็ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ไปก็ไม่ได้ถูกตัดเงินเดือนแต่อย่างใดอันนี้ก็คือเรื่องของใจที่ได้ชําระความทุกข์ต่างๆให้หมดไป ด้วยการทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วทำอะไรต่างๆนี้ถ่าไม่ได้ทำด้วยความอยากแต่ในสายตาของคนที่มีความอยากก็อาจจะคิดว่าทำตามความอยากเช่นเวลาท่านสู่บุรีก็คิดว่าท่านอยากจะสู่บุรีท่านถึงสู่ เวลาท่านดื่มเครื่องดื่มน้ำชากาแฟก็ไปคิดว่าท่านอยากจะดื่มน้ำชากาแฟเหมือนกับที่เราอยากกันแต่ท่านกับเราต่างกันตรงที่เวลาท่านไม่มีดื่มไม่มีสูบท่านไม่เดือดร้อนแต่พวกเราเวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบนี่เดือดร้อนต้องวิ่งไปหามาดื่มหามาสูบให้ได้เนี่ยต่างกันตรงนี้ต่างกับ ใจของคนที่ไม่มีความอยากทำอะไรเหมือนกับคนที่มีความอยากได้หมดแต่ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีมีก็ทำไปไม่มีก็ไม่ทำมีใครถวายอะไรมาถ้าไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดพระวินยัยไม่ผิดกฎหมายก็ทำไปได้ไม่เสียหายตรงไหนดังนั้นอย่าไปสงสัยในครูบาอาจารย์ในเรื่องที่มัน เป็นเรื่องที่เรายัางไม่เข้าใจไม่ควรไปกังวลกับท่านมากนะให้กังวลกับตัวเราดีกว่าว่าเรายัางมีความอยากอยู่หรือเปล่าเรายัางมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าท่านจะทําด้วยความอยากหรือไม่ทําด้วยความอยากก็เป็นเรื่องของท่านแต่เรานี่ขอให้เราอย่าทําด้วยความอยากก็แล้วกันถ้าเรายังทําด้วยความอยากอยู่ ก็ขอให้เราหยุดเสียเพราะถ้าทำด้วยความอยากแล้วเวลาไม่ได้ทำมันจะทุกข์นี่แหละคือเรื่องของวิธีการดับทุกข์ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนากับในยุคที่มีพระพุทธศาสนายุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครดับความทุกข์ได้เลยถ้าเป็นคนไข้ก็รักษาไม่มีหายสักคน ไม่มียาที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของคนไข้ให้หายได้แต่พอมีพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนยุคที่มียารักษาโาครคภัยไข้เจ็บผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หายจากโรคของความทุกข์ใจกันหมดพระอาลัยทั้งหลายจึงมีเกิดกาในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทำไมในยุคหนึ่งนี่หาหาพระอาหารหันต์ไม่ได้แม้แต่รูปเดียวแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตารัสโลเป็นองค์แรกก็จะมีการขึ้นมาการเป็นจำนวนมากอย่างในช่วงเจ็ดเดือนแรกหลังจากที่ทรงประกาศพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือนแปดพอไปถึงวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนต่อมา ที่แล้วเรียกว่าวันมาค้าบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวุกอย่างน้อยหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันก่อนหน้านี้ไม่มีพระพุไม่มีก่อนหน้านี้ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวแต่หลังจากมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนมีพระอาหารหันต์แล้วถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าในจะ ยาเสด็จดับขันธ์ธาตุตอนี้ผ่านไปแล้วพระอาหารหันต์ที่อยู่ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าก็ได้นิพานกันไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีพระอาหารหันต์ในยุคปัจจุบันอยู่เพราะยังมีพระธรรมคําสอนอยู่ยังมีผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ผลก็ยังมีอยู่พระอาหารหันต์ก็ยังมีอยู่ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ยังมีอยู่ แล้วก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆตาบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเมื่อได้รักษาตนเองให้หายแล้วก็ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปก็อบรมสัง่งสอนความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่มาศึกษามีศรัทธามีวิริยะอุตสาหะมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะ หายจากความทุกข์ใจแล้วก็จะได้กลายเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแทนพระอาหารหันต์ที่ตายไปแล้วอันนี้คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเรามีโอกาสมีโชคมีวาสนาที่ได้มาสัมผัสรับรู้แล้วได้เกิดศรัทธาที่จะมาอย่างสม่าเสมอ มาฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้ในแต่ละครั้งจะได้ไปบางส่วนแล้วก็อาจจะลืมไปหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วเพราะใจต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็จะมากรบเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปถ้าเราอยากจะรักษาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ สมัยนี้ก็มีโชคมีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีเครื่องอัดเสียงมีหนังสือเราก็ควรที่จะกลับมาทบทวนอยู่เรื่อยๆในช่วงวันที่เราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็ควรที่จะทบทวนด้วยการนำเลือกอยู่ภายในใจก็ได้วันนี้เราฟังธรรมเราจำธรรมข้อไหนได้ประทับใจเราก็เอามาพิจารณาใค่อยควรต่อไป เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมถ้าเราหลงเราลืมเราก็เปิดฟังเสียงที่อัดไว้ก็ได้หรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้พยายามให้จิตใจมีธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่เหือดแห้งหายไปเพราะถ้าเหือดแห้งหายไปก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ก็อาจจะเฉาตายไปได้ แต่ถ้าต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่อย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นไปออกดอกออกผลได้ใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยเรื่อยเบื้องต้นก็หล่อเลี้ยงด้วยการได้ยินได้ฟังทำพอได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปพิจารณาต่อพิจารณาอยู่เรื่อยเรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็เอาทำที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติดับความทุกข์นะฮะพอดับความทุกข์ได้ก็เหมือนกับได้ดอกได้ผลเนี่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาจึงแบ่งเป็นสามขั้นตอนด้วยกันที่เรียกว่าปัญญาสามสุตมะยปัญญาภาวนามะยปัญญาเออากินตามะยปัญญาแล้วก็ภาวนามะยปัญญา เป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกต้องอาศัยสุตะมะยปัญญาก่อนถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเลยเราจะไม่รู้อริยสัจสี่เราจะไม่รู้มรรคแปดเราจะไม่รู้จักไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราจะไม่รู้จักกา마ตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, พ, ะะนหาพอเราฟังแล้วเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างไงอันไหนเป็นเหตุของ อันไหนเป็นเหตุที่ดีอันไหนเป็นเหตุที่ไม่ดีอันไหนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อันไหนเป็นเหตุที่ดับความทุกข์ได้เราก็เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเช่นตัณหาทั้งสามนี้เราต้องละทุกครั้งที่เกิดตัณหาเราต้องฝืนอย่าไปทำตามมันถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ต้องสร้างมรรคขึ้นมามรรคที่จะทำให้ใจเรามีกาลังต่อสู้กับตัณหาได้ ก็คือเราก็ต้องทําทานรักษาศีลภาวนาถ้าเรามีความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขเราก็ต้องละมันด้วยการทําทานเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆนี้ไปทําทานแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่บริ ส, สุทธิ์คือความสุขที่ปราศจากความอยากถ้าเราเอาเงินไปซื้อความสุขที่เกิดจากความอยากพอ ซื้อมาแล้วความอยากมันไม่หมดความอยากมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีปัญญาจะซื้อก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงไม่ได้เป็นวิธีดับความอยากเป็นการเสริมความอยากวิธีจะดับความอยากเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองก็เอาเงินไปทำทานเสียแทนที่จะไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จาเป็นให้กับตัวเอง ก็ไปซื้อข้าวซื้อของแล้วก็บริจาคสงเคราะห์คนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาขาดแคลนแล้วเราก็จะได้ความสุขใจที่เราละความอยากได้ความอยากที่จะใช้เงินทองไปในทางที่ผิดได้นี่ก็เป็นการละความอยากแล้วก็ละด้วยศีลอยากจะฆ่าอยากจะลักทรัพย์ก็ไม่ทำพอไม่ทำแล้วต่อไปการอยากจะทำ บากก็จะไม่มีไม่ทำบาปใจก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็มาเจริญสติมาภาวนาทาใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากอันนี้เราต้องทำควบคู่กันไปทั้งสุตตมยปัญญาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะฟังจากจากการเทศ ของครูบาอาจารย์ก็ได้จะฟังหรือจะอ่านจากเทปหรือหนังสือก็ได้เหมือนกันต้องทําอยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลาไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็ต้องมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาทาต่างๆเรียกว่าเป็นจินตามายะปัญญาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะนี้ เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญายังไม่ได้เอาไปใช้ต่อสู้กับตัณหากิเลสเวลาเกิดตัณหาขึ้นมานั่นแหละถึงจะต้องเอาปัญญาเหล่านี้มาต่อสู้เกิดกามราคะก็ต้องพิจารณาอสุภะมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายของบุคคลที่เรามีความาคลั่งไคล้หลงไหลอยากจะเสพกามด้วย ถ้าเห็นเขาเป็นโครงกระดูกเห็นเขาเป็นซากศพใจก็จะไม่อยากที่จะเสพกามกับเขาพอละกามได้ก็ถือว่าบรรลุได้ละความทุกข์ได้ก็เรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาที่จะละความทุกข์ละตัณหาดับความทุกข์ได้ก็คือภาวนามายปัญญา ภาวนามายปัญญาจะเกิดขึ้นก็ตอนที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาก็พิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะไปพอละปัญหาได้ความทุกข์ดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาภาวนามายปัญญาถ้าพิจารณาโดยที่ยังไม่มีความทุกข์ เจนออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณาอสาุภะพิจารณาตายรักแต่ตอนนั้นยังไม่มีความทุกข์ยังไม่มีตัณหาตอนนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเพราะยังไม่ได้เอาบาดับความทุกข์แต่เป็นการเสริมเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมเครื่องมือไว้ก่อนเหมือนกับทหารก่อนจะออกรบนี่จะต้องซ้อมก่อนต้องมีการซ้อมรบเพียงแต่ว่ากระสุนนี่ไม่เป็นกระสุนจริงเท่านั้นเอง แต่ต้องรู้จักวิธีใช้ปืนใช้เครื่องม้เครื่องมือต่างๆอาวุธยุทธโภกรณ์ต่างๆถ้าไม่สวดไม่ซ้อมใช้ไว้ก่อนพอเวลาออกรบกจะใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ก็จะถูกฆ้าศึกศัตรูทําลายตายไปหมดเลยแต่พอรู้จักใช้เครื่องม้เครื่องมืออาวุธยุทธโภกรณ์ต่างๆพอเกิดศึกสงครามเวลาต้องออกศึก ก็สามารถใช้อาวุธยุทธโภคกรณต่างๆทําลายข้าศึกตับตูได้ได้ใช้ชนะได้นี่คือปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาแต่จะต้องมีอาศัยจินตามย์ปัญญาเป็นผูเ้เตรียมการไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนไม่ซ้อมรบไว้ก่อนไม่ซ้อมหัดใช้อาวุธยุทธโภคกรณต่างๆเวลาออกศึกจะใช้ไม่เป็น ถ้าไม่มีจินตามยัปัญญามันก็จะไม่มีภาวนาเมยัปัญญาตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆเนืองๆก็คืออยู่เรื่อยๆเช่นทรงสอนในบทที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความเจ็บความแก่ความตายไปไม่ได้ เรามีการพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้จงพิจารณาอยู่เนืองๆเถิด เ, เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมนั่นเองพอเวลาที่จะมีความจำเป็นที่จะเอามาใช้ทำลายปัญหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ย่างจะได้เอาออกมาใช้ได้ถ้าไม่พิจารณาไว้ก่อนพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะหาอะไรมาดับทุก เนี่ยคือเรื่องของปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้ใจจะไม่อยากจะคิดถึงทางธรรมเพราะใจไม่ใจมีกิเลสตัณหาที่ยังมีกําลังวังชาอยู่กิเลสตัณหาก็จะเดินเราไปคิดในวิธีการดับทุกข์ด้วยการหาลาบยศสารเสริ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ไกายจะไม่พามาให้เรามาคิดถึงการดับความทุกข์ด้วยการพิจารณาปัญญาเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้ตอนนั้นกิเลสตัณหาที่มีกำลังวังชาก็เหมือนนอกมวยที่ถูกต่อยล้มลงไปนับแปด พอรับแปดลูกขึ้นมานี่ก็ยังโซเซงงวงเงียอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปพิชิตรู้ศึกจตตัวได้อย่างง่ายได้แต่ใดไวผู้ที่ได้ฌานแล้วเวลาออกจากฌานมานี้จิตจะไม่ค่อยมีกิเลสปัญหาลบกวนเหมือนกับคนที่ไม่มีฌานไม่มีสมาธิจึงสามารถที่จะเจริญจินตามายาปัญญาได้แล้วก็ จเรเลินภาวนาเมยปัญญาได้ในกรณีที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละเป็นวิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเจโลล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันมาการอย่างต่อเ น, นื่องจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ พวกเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้บุคคลเหล่านั้นถ้าเราปฏิบัติตามบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธามีวิริยะมีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกประการให้สมกับคำว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วรับรองได้ว่าผลก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน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 สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติอาระโสยทาสพิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวอภิวาทานสีลิษานิจจังวุทธาปจายโน จัตโรธรร ม, มาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนเจ้าจับไม่แล้วไม่วางนะ <laughs> คนอื่นไม่ถามนะว่าวันนี้ทำไมอ่ะ น, นุนั่งอยู่นทำไมนุเพาะนุนจะอยากหลับหลับหลับนุจะบาปไหมไม่บาปหรอกเพียงแต่จิตไม่มีเลยว่าทำงานมาเหนื่อยขาดนอนนี่แต่เพาะนะแต่มี่จะอยากหลับอย่างเดียว <laughs> เมืม่อวานมีมีสติเข้าแต่วันนี้ไม่เข้าเลยหลับอยังเดียวอาจจะทำงานมาเหนื่อยด้วยมันคือนี่นอนไม่พอไม่ทำงานมาเหนื่อยนุ ต, ตื่นดึกอ่ะตื่นดึกืนทีสามราครึ่งทุกวัน <ๆ S 1> ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ปัญญาฟังธรรมแล้วเป็นทัพพีในหม้อแกงฟังไม่รู้เรื่องเดียวฟังรู้ ขอยากลาอยากดูเาใจีลถมา้บมติาอ่านได้อยากาีอ่ะถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนะต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณคักขาวเบบีเรื่องการดูใจเราเอง หากเราไม่ตามไม่สนใจแต่เรายังรักเขาอยู่โดยที่เรารู้ว่าเขาไปทําอะไรที่ไม่ควรทําเราไม่โกรธไม่สนใจให้อภัยแต่เราก็ยังรักเขาอยู่สวดมนต์ให้เทวดาประจําตัวเขาด้วยเมื่อถึงเวลาการแผ่เมตตาจะทําให้เขาดีขึ้นไหมครับหรือว่าเราควรจะวางใจตัวให้เลิกสนใจครับ ส่วนของเราเราก็ควรที่จะปล่อยวางอย่าไปสนใจเขาส่วนเขานี้เขาจะดีขึ้นหรือเลวลงอยู่ที่ว่าเขาได้รับความรู้ที่ดีหรือไม่ดีถ้าเขาได้ยินได้ฟังทมแล้วเขาปฏิบัติตามได้จิตใจของเขาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังทมแต่ไปคบค้าสมาคมกับคนโง่ คนที่ไม่รู้จักทำชีวิตเขาก็จะตกตามลงไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตของเขาเนี่เราไปทำให้เขาดีหรือทำให้เขาไม่ดีไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำกับเพื่อตัวเราเองก็คืออย่าไปทุกข์กับเขาไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยวางเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา คำถามข้อต่อไปจากคุณกอล์ฟนลวิ์ข้อที่หนึ่งการนำธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้าโดยเป็นธรรมะที่ง่ายๆแต่กินใจเราเหลือเกินกระผมจะทำเป็นกรา ฟ, ฟิกเรียบๆแล้วก็มีชื่อของท่านที่แสดงเขียนไว้ตอนแรกทำไปไม่ได้คิดอะไรแต่ผลตอบรับมาดีพอสมควร หลังจากนั้นเวลาฟังเทศพอท่อนไหนรู้สึกถึงว่าต้องจดจำแต่ก็พยายามปล่อยวางมานั่งคิดว่าถ้าเรานั่งจดนั่งจำก็จะไม่มีโอกาสรับธรรมะนั้นเหมือนที่พระอาจารย์เทศสอนนึกขึ้นเป็นภาพปกติเราก็ชอบฟังธรรมะแต่บางครั้งเห็นพี่ๆญาติธรรมขึ้นมาจด เรียนถามผู้อาจารย์ว่าการที่เรานำธรรมะมาแสดงเป็นภาพนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแล้วเพราะเราต้องการให้มันฝังอยู่ในใจเราธรรมะที่อยู่ในในหนังสือกับธรรมะที่อยู่ในใจเรานี้มันต่างกันธรรมะที่อยู่ในหนังสือนี้ดับความทุกข์ใจไม่ได้แต่ความทุกข์ความธรรมะที่อยู่ในใจเรานี้ดับได้ h e n นเราต้อง แปลธรรมะที่อยู่ในหนังสือให้เข้ามาอยู่ในใจเราโดยการอ่านบ่อยๆแล้วก็เอามาพิจารณาบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจเราแล้วมันจะทันการเพราะถ้าเราเราเอาธรรมะในหนังสือมาดับเดี๋ยวต้องค้นหาหน้าไหนก็ไม่รู้ธรรมะที่เราโดนใจเราแต่ถ้ามันอยู่ในใจเรานี่เรามันจะขึ้นมาทันทีถ้าเรื่องไหนที่มันตรงกับที่เราได้ ได้จดจำมาพอเกิดเรื่องขึ้นมามันจะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วยันถึงต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังทำแล้วได้อ่านแล้วก็ต้องมาพิจารณาต่อมาพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับตอนที่เราหัดท่องสูตรคูณเนี้เราต้องหัดท่องไปเรื่อยๆท่องไปจนท่องมันจดจําได้พอต้องการที่จะใช้สูตรคูณก็ไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูไม่ต้องไปเปิดตารางดู สองคูณสองเท่าไหรแปดคูณแปดเท่าไร่พอมันพอมันพอแปดคูณแปดปั๊บมันก็มีคําต่ออกมาเลยเพราะมันจําได้มันจดจําอยู่ในใจดังนั้นเราต้องไปเอาธรรมะที่อยู่ข้างนอกธรรมะที่อยู่ในใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงออกมาธรรมะที่อยู่ในหนังสือธรรมะที่เราได้ยินผ่านทางสื่อต่างๆ นี่ยังถือว่าเป็นธรรมะอยู่ข้างนอกอยู่ต้องเอามาให้เป็นธรรมะอยู่ในใจเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดความทุกข์ใจจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีไม่เป็นบาปข้อที่สองเนื่องด้วยกระผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับบ้านตัวเองและชอบปลูกต้นไม้ ดังนั้นจะเป็นสมาชิกกลุ่มพันไม้เพื่อแบ่งปันและศึกษาหาความรู้กันต้นไม้บางชนิดมีราคาและมีคนอยากได้ใจจริงก็อยากให้เขาได้ทุนแรงไม่ต้องซื้อหาบางครั้งมีคนขอมาบ้างพอสมควรผมก็จัดส่งแต่ถ้ามาหลายคนผมรับค่าส่งไม่ไหวเลยอาจจะขอให้เขาโอนเงินไปทำบุญ เท่าไหร่ก็ได้เราจะส่งให้ฟรีหรือโอนมาแต่ค่าส่งให้เราหรือถ้ามีเศษเหลือเราค่อยเอาไปทําบุญกราบขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเกี่ยวกับการกระทําของผมด้วยครับก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนนี่ทำไปอต่ถ้าจะถามว่าทําอย่างอื่นดีกว่าไหมละ ว, ว่าดีกว่าแทนที่ไปปลูกต้นไม้ไปนั่งสมาธิจะดีกว่า คำถามข้อต่อไปจากคุณเชนจิ้งเชนจิ้งความผูกพันที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนและอื่นๆอย่างนี้ถือเป็นการยึดมั่นถือมั่นความเป็นห่วงมีส่วนทำให้เราไม่บรรลุธรรมหรือไม่ถ้าบรรลุธรรมหมายความว่าความยึดมั่นความผูกพันความเป็นห่วงนี้จะไม่มีหรือคะ ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะคือความสัมพันธ์กับใครก็ตามนี่เราสามารถมีได้ความห่วงใยต่อกันและกันก็มีได้เพียงแต่ว่าอย่าให้มันทำให้ใจของเราทุกข์ก็แล้วกันถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่ามันเกินขอบเขตถ้ามันมีปัญญามีสมาธิมีสติมันจะมีขอบมีเขต มันจะดูแลกันไปห่วงใยกันไปในขอบเขตที่ทำกันได้แต่ในขอบเขตที่มันไม่สามารถทำได้ก็ปล่อยวางไปไม่ทุกขกับมันทำถามต่อไปจากคุณลัคนาสีจันเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจิตชอบคิดไปต่างๆนาน า, นาจะทำอย่างไรถึงจะไม่คิดคะ ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆให้มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบางท่านก็ใช้การนับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับไปให้มันถึงแสนถึงล้านไปเลยแล้วมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าอยู่เฉยๆไม่มีอะไรให้จิตทอปล่อยให้คิดมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งลงเขามันจะไม่หยุดของมันเอง เราหยุดลดได้ต้องเบรมันหรือเลี้ยวมันกลับให้มันวิ่งขึ้นเขาให้ได้ถ้ามันวิ่งขึ้นเขาเดียวมันก็หมดแรงมันก็หยุดเองใช่เวลาเราลงจากเขามาแล้วให้มันวิ่งขึ้นไปเขาอีกลูกหนึ่งเนี่ยพอมันขึ้นขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งขึ้นไปกลางทางมันก็หมดแรงแล้วฉันด้จิตเราก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดเรื่องที่มันทาให้มันหมดแรง เช่นมาสวดมดนต์นี้สวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หมดแรงแล้วมันก็หยุดคิดได้คำถามต่อไปจากคุณธนพลแก้วสถิตขณะนั่งภาวนาดูลมพอรู้สึกเริ่มสงบก็เกิดมีอาการร่างกายโยกโครงไปมาหน้าหลังเล็กน้อยตามจังหวะการเต้นของชีพจร ถ้าปล่อยให้มันโยกโครงไปเรื่อยๆก็จะยิ่งโยกโครงเป็นช่วงกว้างมากขึ้นคล้ายๆการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาแต่ถ้าตั้งใจกำหนดให้หยุดโยกก็ทำได้จึงอยากกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าในขณะที่ดูลมอยู่นั้นกระผมควรจะปล่อยให้ร่างกายมันโยกโครงไปเรื่อย หรือควรกําหนดให้มันหยุดครับตอนแรกคิดว่าอาการโยกโครงเป็นแค่ความรู้สึกไปเองแต่คนที่บ้านบอกว่าเห็นร่างกายกระผมโยกโครงจริงๆครับการโยกโครง น, นี้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติปล่อยให้จิตมันไปทำให้ร่างกายมันโยกไปโยกมา ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้มันจะไม่โยกมันจะนิ่งกายมันจะนิ่งแล้วใจก็จะนิ่งตามลำดับแสดงว่าสติเราไม่ไม่ต่อเนื่องทำถามต่อไปจากท่านต้อแผงเอเชียพอรู้สึกตัวตื่นนอนในตอนเช้ามืดแล้วลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าภาวนา จำเป็นจะต้องอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันก่อนไหมครับเพราะเคยทราบมาว่าอุปมาเป็นการเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องชำระร่างกายให้สะอาดอันนี้จริงเท็จยังไงครับแล้วถ้าเราตื่นมาสวดมนต์ภาวนาเลยจะบาปไหมครับเรื่องของร่างกายนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ ถ้าร่างกายมันสะอาดมันไม่ต้องชำระก็ไม่ต้องชำระถ้ามันโสโปรกก็ชำระไปแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขารบหรือไม่เคารบหรือบาปหรือไม่บาปเรื่องของร่างกายก็คือถ้ามันสโปรกเราก็ต้องชำระมันถ้ามันไม่โสโปรกเราก็ไม่ต้องชำระมันก็ได้แล้วก็อยู่ที่เหตุการณ์ด้วย ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องไปพบปะกับใครเราจะปล่อยให้มันส่งวัคโรคไปก็ไม่เป็นปัญหากับใครพระอยู่ในป่าบางทีท่านก็ไม่อาจจะไม่ได้อาบน้ำ อ, อาบน้ําท่านก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนบางทีท่านบัวพัวพันอยู่กับการภาวนาจนกระทั่งไม่สนใจกับการอาบน้ําก็ได้เหตุเรื่องของร่างกายมันไม่ใด้เป็นตัวตัวประเด็นสําคัญตัวประเด็นสําคัญอยู่ที่ใจใจ ใจคิดดีหรือคิดร้ายอันนี้สําคัญกว่าร่างกายสกปรกแต่ใจคิดดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายสะอาดแต่ใจคิดไม่ดีอันนี้เป็นปัญหาคําถามต่อไปจากคุณปาพัสแสวงทรัพย์ผมอยากทราบว่าการที่เรามีจิตเกี่ยวพันกับพญานาคหรือพญานาคอยากให้พาสร้างบุญมันเป็นมโนภาพหรือภาพจาก สัญญาเก่าในอดีตชาติครับจะส่งผลอย่างไรกับปัจจุบันถ้าเราไม่ได้พาท่านสร้างบุญขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางให้ผมด้วยครับเื่อบุญของใครของมันใครใครทำใครก็ได้ถ้าเขาไม่ไม่สามารถทำเองได้เราพาก็ททำได้ก็พาก็ททำไปคำถามต่อไปจากคุณเชนจิ้งเชนจิ้ง การเตรียมตัวตายในวินาทีสุดท้ายต้องทำอย่างไรคะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วแต่ความสามารถของเราว่าจิตเราอยู่ในขั้นไหนขั้นสติเราก็ใช้สติถ้าขั้นสมาธิเราก็เข้าไปในสมาธิ <c oughs> ถ้าขั้นปัญญาเราก็ <c oughs> พิจารณาปล่อยวางร่างกายว่าเป็นตายรักกนิจังทุกขังอนัตตา ถ้าเป็นขั้นดุดพ้นแล้วก็รู้เฉยๆดูลมไปให้มันหมดไปก็จบเหมอนดูหนังหนังพอขึ้นโดยแอนก็จบปิดเครื่องก็อยู่ที่ขั้นของจิตของเราขั้นของธรรมของเราว่าเราอยู่ขั้นไหนถ้าขั้นสติก็พุทโธพุทโธไปขั้นสมาธิก็เข้าฌานไปขั้นปัญญาก็พิจารณาตายลักไปขั้นดูดพ้นแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปก็เท่า น, นั้นเอง หมดคาถามจากทางบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อมีท่านผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างหลังส่งมาไปหน่อยเลยที่แรกมาก็คิดว่ามีหนึ่งปัญหานะคะแต่เมื่อกี้พอฟังเทศท่านอาจารย์จบแล้วนะคะก็อยากจะถามเพิ่มอีกหนึ่งปัญหานะคะปัญหาแรกที่ตั้งใจถามจากที่บ้านนะก็คือว่ามี ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือกันมานานเนี่ยนะคะแต่ท่านเป็นอีกศาสนาหนึ่งเนนะคะท่านนับถือศาสนาอิสลามนี้ท่านเสียชีวิตไปเราอยากจะเทําบุญอุทิศให้ไม่ทราบว่าท่านจะได้รับของเราไหมคะทําได้แต่ท่านจะรับหรือไม่รับนี่ยอยู่ที่ฐานะจิตของท่านคือผู้ที่จะรับผลบุญหรือมารอรับผลบุญก็คือผู้ที่ไม่มีบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทําบุญทําแต่บาป พอตายไปก็ต้องไปตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าขอทานทางจิตวิญญาณคือเปรตในถ้าเขาเป็นเปรตแล้วเขามานึกถึงเราเขาเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งบุญให้กับเขาได้ถ้าเขามาขอมารอรับเขาก็จะได้รับไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าจิตของเขามีบุญหรือไม่บีบุญเขาต้องการบุญหรือไม่บุญก็คืออาหารของ กินั่นเองนะแล้วก็ถ้าเขามาขอหรือไม่ขอเราก็ต้องรู้ก่อนแต่ถ้าเราทาไปโดยที่เราเผื่อไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าเขามารอรับหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำแบบอุทิศให้เขาแล้วก็บวกต่อไปว่าถ้าเขาไม่รับก็ให้ผู้อื่นที่รอรับไปแทนฮะ <Okay. S 2> อย่างนี้ก็ได้ ค่ะแล้วอีกปัญหาหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่ฟังอะนะคะที่ว่ายุคที่ไม่มีพระพุท ธ, ธเจ้ามามาตรดสรู้ในโลกนี้นะคะที่ว่าต้องไม่มีศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราไม่อยากเกิดมายุคนั้นนะคะ เราไม่อยากจะเจอไอ้ที่สองทางที่ท่านพูดอ่ะเราเราจะไปหลบอยู่ตรงไหนได้ไหมคะตอนนี้าเรี่ปฏิบัติตอนนี้ไงเท่านั้นแหละก็กลัวยังไม่ถึงเค่ะก็เกิดไม่ถึงก็ต้องไม่ถึงก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมนะไม่มีที่แอบมั้งอะก็ไปเป็นคมไปเป็นเทวดาทำบุญเยอะๆนั่งสมาธิทำปฏิบัติทำให้เยอะให้ได้เท่าไหร่ก็จะได้ไปสูง ถ้าไปถึงขั้นพมก็อาจะอยู่เป็นหมื่นปีหมื่นปีแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาใหม่ก็ทําเติมน้ำมันใหม่จนกว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วถึงค่อยปฏิบัติขั้นสูงสุดได้แล้วจะมีโอกาสไหมคะก็มีนี่มาถึงที่นี่แล้วในใกล้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกินไม่เกินเจ็ดปีไม่เกินเจ็ดปีถ้าตั้งใจปฏิบัติิเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เออ ไปบวชเลยไปบวชเลยทิ้งสามีทิ้งลูกทิ้งอ้าวแล้ไม่กลัวเหรอกลัวก็ต้องกลัวต้องทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งสมบัติไงนั่นน่ะสิต้องมาเจออย่างนี้ถึงต้องทิ้งไงจะได้ไปปฏิบัติได้เต็มที่ไงพอปฏิบัติแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอ่าถามมาเรามาสการพระอาจารย์จะถามถามต่อค่ะพระอาจารย์ คือเท่าที่ทราบก็คือถ้าเป็นผู้ชายในยุคเนี้ยจะค่อนข้างโชคดีถ้าเกิดอยากจะอยากจะบวชเพราะว่าจะมีวัดมีอะไรอเงี้ยค่ะแต่ถ้าเท่าเท่าที่ปฏิบัติมาแล้วก็เจอเพื่อนผู้หญิงหลายคนเน่ยจะมีปัญหาเดียวกันคือคือยังไม่มีวัดไหนที่เป็นลักษณะที่ว่าเออจะรับชีเข้าไปแบบปฏิบัติเต็มตัวทีนี้เอออาจจะมีแต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปช่วยทําครัวอะไรซึ่งไม่ใช่กิจที่ในเรื่องของการปฏิบัติอะค่ะทีนี้เท่าที่มองเหมือนกับว่าถ้าเป็นไปได้ไหมคะว่าเออเราอาจจะทําบ้านให้เป็นวัด แล้วก็คือตอนเช้านี่ก็คือคือคือเออคืออาจจะต้องมีเงินอ่าอย่างยามพระอาจารย์ว่าค่ะอาจจะต้องมีเงินก้อนนึงเพื่อใช้จ่ายในยามจําเป็นพวกอาหารอาจจะศีลแปดแค่ช่วงเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือปฏิบัติภาวนาไปเลยศีล ส, สมาธิปัญญาไปเลยเจ้าค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคิ ด, คดก็ได้ดดดก็ได้ดแต่ก็ยังสู้ไปอยู่สํานักที่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์จะคอยกร ะ, กระตุ้น คอยดึงเราเวลาที่เราออกนอกลู่นอกทางไปถ้าเราอยู่คนเดียวนี้เรายังอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสตันหาอยู่แล้วมันก็ยังหลอกเราได้อยู่ดังนั้นทางที่ดีไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดีกว่ามีแม่ชีที่บรรลุธรรมก็มีแม่ชีแก้วลูกศิษย์หลวงตาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านก็ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็เขาสวนหลวงอยู่ที่ราชบุรีท่านก็บรรลุได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่เรื่องวัดหลอก ถ้าไปอยู่วัดก็ทําทำนทํางานในโรงครัวก็แค่ช่วงเช้าวันชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เสร็จแล้วเหมือนกับพระพระก็ต้องไปบินรบาดฉันสาราอย่างวันนี้กว่าเราจะเสร็จกลับมาจากสารานี้ก็เกือบเที่ยงเลยน่ะมันก็ต้องมีกิจที่ต้องทํากันเรื่องเลี้ยงดูร่างกายฉั้นคิดถือว่าเป็นการจ่ายค่าเช่าก็แล้วกันค่าเช่าค่าอาหารอราอย่าไปส่วนใหญ่เราจะยึดอัตราตัวตนว่าเราไปเป็นแฉวไปทํางานในโรงครัวเนีย่ย อย่ไปคิดอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นการจ่ายค่าเช่าค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหารเพราะวันก่อนเนื้อคุยกับแม่ชีที่มาจากวัดของหลวงพ่ออุทัยถามว่าแม่ชีอยู่ที่นั่นเป็นไงสบายดีไั้ปลอดดีแล้วมีภารากิจอะไรบ้างเขาบอกก็มีแทบช่วงเช้าตอนเท้าไปช่วยกันที่โรงครัวเตรียมอาหารถวายพระหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็มีกุฏิของไทยของใารอยู่ พอปฏิบัติได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเ่ําก็ลงไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดกันเท่านั้นเองอเคแล้วถามว่าหลวงพ่อท่านรับหรือว่ารับใครใหญ่เข้าไปก็ไปได้ก็รับรับถาวอนเลยเหรอคะก็อยู่ที่เราถาวอนก็คือว่าอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทํานะ้นทำตัวเราให้ดีเขาก็อยากจะให้เราอยู่ออถ้าเราทําตัวไม่ดีเขาก็อยากจะให้เราไปค พอเท่าที่ทราบถามๆน้องๆคือเขาก็บอกเออ ย, ยังยังแบบหาที่แบบถาวรยังไงคือระยะ ไ, ไกลๆอะไรที่เ้าอยากจะบวชอะไรแบบนี้มีมลองไปวัดทางภาคอีสานเนี่ยมี<อ>สายครูบาอาจารย์เนี่ยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยมีอยู่เยอะอแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่อยากจะไปเพราะว่าอาหารการกินที่อยู่อาศัยมันไม่มันไม่คุ้นเคยมั<อ>้งอาหารก็จะเป็นข้าวหนอ่งข้าวเหนียว อ, อเป็นลาบเป็นอะไรไป แต่ก็ <g ül> ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายปฏิบัติทํำจริงๆของพวกนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเ น, นี่ยเราถามเรื่องการใช้มรณาเร่งความเพียรนะครับอันนี้พอพอคิดถึงเรื่องว่ามันต้องตายใช่ไหมมันก็ก็ไปคิดว่าเราจะตายยังไงจะป่วยตายหรือว่าจะลดความตายรูปแบบเหตุตายกลายนว่าเราฟุ้งร้านไปเลยอะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่าตายยังไงก็ตายเหมือนกัน มันพอพราะว่าพอคิดว่าเอ้ยเราต้องตายแต่ว่ามันจะเจ็ไม่เนาะถืว่าจะไปเงียบๆหรือว่าจะไปยังไงอะไรเงี้ยอ่ามันก็มันก็สรุปไปว่ามันก็ไปเหมือนกันตัดมันไปตัดบทมันไปสิฟุ้งซ่านไปเลยตัดบทมันไปอย่าไปให้มันฟุ้งซ่านบอกว่าถึงเวลาตายมันไม่มีใครเลือกได้ว่าจะตายแบบไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ตายรีบเล่งความเพียรเสียแค่นี้ก็พอเรายังไม่มีสติพอที่จะควบคุมความคิดของเราได้ถ้าอย่างนั้นก็ควรที่จะ หาวิธีทาใจให้มันมีสติมากขึ้นไปก่อนเช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก่อนจนสามารถที่จะควบคุมความคิดให้อยู่ในร่องในรอยของเราที่เราต้องการให้มันคิดได้ถ้ามันยังคิดไปตามเรื่องของมันอยู่ก็อย่าพึ่งไปคิดแสดงว่าสติเราไม่มีกำลังพอแทนที่จะเป็นปัญญาก็กลายเ ป, เป็นนิวรนไปแทนที่จะทาใจให้สงบทาให้ใจเล่นความเพียนก็กลับทาให้ใจฟุ้งซ่านนั้น การพิจารณาของเราตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้มีกําลังมากกว่านี้เพราะเพื่อที่จะได้บังคับให้มันคิดไปในทางร่องรอยที่เราควรจะคิดครับอ่ามีค่ะเจนจากที่ฟังเทพอาจารย์เรื่องจินตมยัยปัญญากับพภาวนามัยปัญญาค่ะถ้าเกิดอ่านอกจากเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วเรา พิจารณาค่ะถ้าเกิดในระหว่างวันอย่างเช่นเวลานั่งรถมีหรือว่าขับรถไปค่ะบางทีเหมือนจิตมันสงบลงชั่วเป็นชั่วนาทีแล้วก็เหมือนมีการยกปัญหาขึ้นมาคิดแล้วมันก็เหมือนกับตรงตรงเหมือนกับละลงได้บางๆค่ะไม่ทราบว่าอย่างควรจะทำด้วยหรือเปล่าค่ะทำได้ทุกเวลาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว เราจะใช้จินตาก็ได้ใช้ภาวนาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ถ้าใจเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเราใช้ปัญญามาดับมันก็จะเป็นภาวนาไมายปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีความทุกข์เราคิดไปก็เป็นเหมือนกับจินตาที่ทำการบ้านไปก่อนยังไม่มีข้อสอบถ้ามีข้อสอบก็ต้องทำข้อสอบเลยบางทีชีวิตเราเราไปเลือกไม่ได้ว่าวันนี้จะให้มันเป็นจินตตาหรือเป็นภาวนา กิดโดนใครเขาตบหน้ามานี่มันร้อนขึ้นมานี่มันก็ต้องใช้ภาวนาเมาย์ปัญญาอืต้องโป่งให้ได้พิจารณาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะตบเราก็เรื่องของเขาตบไปแล้วเรามาทุกทำไมเจ็บกายแล้วมาเจ็บใจใเสียสองต่อทําไมเสียแดงเดียวก็พอก็คือถ้ามีคณิกะสมาธิใน้วหว่าวันก็สามารถพิจารณาได้ได้คือคาว่ามีสมาธิก็คือเราต้องจิตรวมก่อนหรืออย่างน้อยก็สงบ แล้วพ อ, อ, อจากความสงบนี่ก็ถือว่าสามารถเจริญได้ที่เจริญได้มากได้น้อยอยู่ที่กําลังของสมาธิ<ะ>ถ้าเราชกคู่ต่อสู้ลงไปนับแค่หนึ่งมันก็ขึ้นมาแรงมากถ้านับห้าแรงมันก็น้อยหน่อย<ะ>ถ้านับแปดนับเก้านี่มันก็มันก็เกือบจะหมดแรงเดี<ะ>๋ยวเราต้องเอาให้มันนับแปดให้ได้นับแปดก็คือรวมลงไปเลยแต่ยังไม่รวมก็อาจจะนับหนึ่งสองก็ลุกขึ้นมาแล้วขอบคุณมาก มีกครอยากกระดาษหรือมเพราะถ้าจะไม่มีจะปิดการประชุมเอาหนึ่งส <c oughs> <c oughs> องสามจบออขอให้ท่านโจาหนึงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนะินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด